ปัจจุบันย่อมจัดสอนไว้เหมือนกันว่าเกิดขึ้นมาเป็นสังขารแล้วย่อมไม่แคล้วจากอนิจจังคือความไม่เที่ยงเลยเกิดมาเห็นกันอยู่ดีๆในเวลาเช้าครั้นถึงเวลาเย็นก็ตายสูญหายไปหรือบางทีพบเห็นเจตาจารยในเวลาเย็นรุ่งเช้าก็ตายไปบุคคลทั้งหลายเกิดขึ้นมาในโลกนี้แล้วย่อมประสบกับอนิจจังในการข้างหน้าทุก ทุกท่านไม่มีใครหลีกพ้นได้พึงกระทาความเพียรไปตามทางที่พระยะทั้งหลายปฏิบัติแล้วจึงจะพ้นอนิจจังเออันนี้สงสัยว่าจะไม่ใช่คำพระพุทธเจ้านะจะเป็นคําที่พูดแต่แงๆนั่นเนี่ยนะคือพูดง่ายๆก็คือว่านะให้เห็นว่าไอ้สังขารเกิดก็คืออนิจจังเกิดนะเพราะสังขารมันมันก็คืออนิจจังนั่นเอง นะคือมันเกิดแล้วก็ต้องดับอริจจังหมายถึงเกิดแล้วก็ดับสิ่งที่เป็นอริจจังเกิดสิ่งที่เป็นอริจจังดับสิ่งที่เป็นทุกเกิดสิ่งที่เป็นทุกดับสิ่งที่ไม่ใช่ของตนเกิดสิ่งที่ไม่ใช่ของตนดับเป็นอย่างนี้ไม่มีใครเกิดนะไม่มีตัวสัตว์ที่ไหนเกิดเป็นแต่เพียงสภาพของอริจจังเขาเกิดก็อริจจังเขาเกิดแล้วจะให้เขาไม่ดับยังไงเพราะอริจจังก็บอกอยู่แล้วว่าดับไม่ยั่งยืนนะเป็นอย่างนี้ แล้วก็เป็นอนิจจังกันอยู่ตลอดนะแล้วเราก็รักไอ้อันิจจังเนี่ยจะทำให้มันนิจจังให้ได้คือเรารักให้สังขารเนี่ยรักชีวิตเนี่ยพยายามทำให้มันเที่ยงให้ได้พยายามทำให้มันเป็นสุขพยายามทำให้มันเป็นของเราให้ได้แต่มันก็ไม่เป็นมันจึงทุกข์อะคือทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้มันไปให้มันเป็นไปให้มันเป็นไปอย่างนั้นมันไม่ยอมเป็นอย่างนั้นเราจะพยายามทำอะไรด่วเป็นตัว ทำไอ้ตัณหาตัณหามันจะพยายามทำว่าให้มันสุกนะให้มันเที่ยงนะให้เป็นของเราให้ได้แล้วมันก็ไม่ได้มันก็ทุกข์สิมันก็เศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างนี้ถ้าพวกท่านต้องการจะเห็นเราเข้าสู่พันิพาณจงไปประชุมกันณภูเขากุกกุตะสัมปาตะบันพศในเวลาเย็นวันนี้หลังจากท่านพระมหากรสปะเถระ ทำภัตฒกิจเสร็จแล้วมาคำนึงถึงพระเจ้าอาชาติศัตรูผู้ทรงเป็นราชูประถมพกในการทําสังคายนาว่าสมควรที่เราจะไปถวายพระพรลาเมื่อคิดดังนี้แล้วจึงเข้าไปในกรุงราชราดชึกขณะนั้นเป็นเวลาเที่ยงวันพอดีและเป็นเวลาที่พระราชากําลังบรรทมข้อพระเถระก็ร ะ, ะลึกถึงความดีนะของพระเจ้าอาโศกเอขออภัยพระเจ้าอาชาตศัตรูว่าอุปถมัมภ์ศาสนามากอย่างยิ่งเลยทําสังคายนาสำเร็จได้ก็โดยอาศัยะ อำนาจของพระเจ้ า, าชาติศัตรูนี่แหละเพราะฉะนั้นก็จะต้องไปบอกลาฝ่ายพวกอมตะเห็นพระมหาเถระเข้ามาในพระราชนิเวศผิดเวลาที่เคยมาพากันแปลกใจคิดว่าท่านคงจะมีธุระจึงกราบเรียนถามว่าาแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญท่านขะมาที่นี่เพื่อประสงค์สิ่งใดเจริญพรท่านทั้งหลายอาจจะมาเข้ามาครั้งนี้เพื่อจะถวายพระพรลาพระบรมกษัตริย์เข้าสู่พระนิพพานในเวลายเย็นวันนี้แหละอมายก็ พูดว่านะกราบเรียนว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญท่านจะเข้าสู่พระนิพพานนัตถสถานที่ไหนเล่าขอรับเจริญพอรอา จ, จมาจะเข้าสู่พระนิพพานณระหว่างกุกกุตะสัมปาตับบัตพธทั้งสามลูกพระมหากัสปะเทระบอกแก่พวกอํามาตะแล้วก็ลากลับมายังพระเวรุวันมหาวิหะมิวิหารและกระทําวัดปฏิบัติอันสมควรเป็นสมณกิจที่กระทําเป็นวละสุดท้ายโดยไม่มีโอกาสที่จะได้กลับมากระทําอีกต่อไป เมื่อกระทากิจวัตรเสร็จแล้วท่านก็พาหมู่พระภิกษุออกจากพระเวฬุวันมหาวิหารเดินทางไปสู่กุกุฏะสัมปาจบันพศและก่อนจะเข้าพนิพานท่านได้แสดงอิทธิปฏิหารเพื่อให้พุทธบริษัทที่ประชุมกันอยู่นั้นเกิดศรัทธาภาษาทะยิ่งขึ้นไปอีกทั้งกล่าวคําอวยพรและสั่งสอนให้ตั้งใจปฏิบัติตามพระพุทธโอวาสคือที่แสดงอย่างนี้นะนะเพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่มาประชุมกันนะว่าให้เชื่อเถิดว่า คำสอนพุทธเจ้าในเป็นจริงนียเป็นเป็นพยานไงเนี่ ย, ยอภิน ญ, ญาหกเนี่มีจริงนะสแสดงฤทธิ์ได้จริงไม่ใช่ว่าพูดเอาลอยๆเื่องๆลอยๆก็สแสดงฤทธิ์ให้ดูซะเลยเขาก็มีศรัทธาที่โอ้คำสอนพุทธเจ้านี่อัศจรรย์นะเป็นจริงมีคุณวิเศษจริงมีประโยชน์จริงก็จะได้ประพฤติตามจะได้พ้นทุกข์ไปแล้วก็กล่าวสั่งสอนต่อไป คือแสดงฤทธิ์แล้วเนี่ยไม่ใช่แสดงเฉยๆแสดงฤทธิ์ด้วยสอนไปด้วยเป็นอย่างนั้นยิ่งเชื่อใหญ่คนนะ่ะแล้วท่านก็เข้าแล้วท่านก็เข้าผลสมาบัติอันเป็นบรมสุขไม่นานก็ออกจากผลสมาบัติและตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้ภูเขาทั้งสามลูกมารวมเป็นลูกเดียวกันให้มีห้องอยู่ภายในภูเขาพร้อมทั้งดอกไม้ที่บูชาอย่าได้เหี่ยวแห้ง นอกจากนั้นยังอธิษฐานให้โอกาสแก่พระเจ้าชาติศัตรูได้ทรงกระทำสักฆบูชาและทอดพระเนตรเป็นปัดฉิมทัศนาคือเป็นการเห็นครั้งสุดท้ายหลังจากนิพพานแล้วอีกด้วยและขอให้สรีละซากซากสรีละของท่านยังคงอยู่จนกระทั่งถึงพระศาสนาของพระศรีอริยะเมตไต โดยที่พระพุทธองค์พร้อมโดยพระภิกษุทั้งหลายเต็มในสถานที่มีบอกมีบริเวณ12โยตเสด็จมาณะกุกกุตะสัมปาตบันพจนนี้จะทรงเอาพระหัตถ์ขาวช้อนซากสรีระของพระมหากัสปะเถระนี้ขึ้นชูไว้และตัดบอกพระภิกษุทั้งหลายให้รู้ว่าเป็นผู้ยิ่งยงในทางถือทุดง13ประการ ตั้งแต่วันแรกอุปสมบทจนถึงวันดับขันเข้าสู่พระนิพพานคั้นตัดสารเสริญคุณของพระมหาเถระแล้วเพลิงจะบรรดา ล, ลุกขึ้นในกายของอาตมาคือของพระมหากรัตปเถระเะาผาผลาญซากศพให้สูญสิ้นไปเหนือฝ่าพระหัตขององค์พระศรีอริยะเมตไตรพระสมานสัมพุทธเจ้าในอนาคตนะ และในที่สุดพระศีอริยะเมตตาจะทรงมีพระพุทธบัญชาให้บรรจุอัติธาตุของพระมหากรสปฐีระไว้ในสถูปของเมืองนั้นเป็นที่เคารพสักการะของเทพพาดาและมนุษย์ทั้งหลายในเมื่อมาถึงพุทธสมัยของพระองค์คือคือประโยชน์จะไปเกิดต่ออีกในในพุทธบริษัทในพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปในการเคารพสักการะพระาธาตุของพระมหากรสปฐีระ อันนี้เป็นเป็นข้ออธิษฐานของท่านนะฝ่ายพระเจ้ า, าชาติศัตรูเมื่อทรงตื่นจากบรรทมแล้วทรงสดับคคำบังคมทูลของพวกอมาตะว่าวันนี้พระมหากษัตริเทระมาถวายพระพรลาเข้าสู่พระนิพพานพระองค์ทรงโศกาดูนคือเศร้าโศกจนถึงสลบลงสามครั้งคือมีความรักเคารพในพระมหากัสริเทระอย่างยิ่งเลยเพราะใกล้ชิดอย่างมากในทีหลังเนี่ยนะ พอรู้ว่าพระเทราจจนิพานก็เป็นปะปุถุชนก็เสียใจจนสลบไปสามครั้งขณะที่ทรงสับคํคำกราบทูลทั้งสามครั้งจากพวกอมาตะแต่เมื่อทรงฟื้นคืนพระสติแล้วจึงตัดถามถึงสถานที่ที่พระมหากรสเถระเข้าสู่พระนิพพานพอทรงทราบแล้วก็ให้นำกลองชัชไปตีป่าวประการแก่ประชาชนดอนได้ทราบและให้จัดเครื่องมหาส ก, การะบูชา สเสด็จพระราชนดำเนินพร้อมด้วยหมู่จัตุรงคขโยธาไปกรุกุฏะสัมปาจาบันพศขันสเสด็จพระราชดำเนินถึงแล้วทราบว่าพระเถระนิพพานอยู่ในระหว่างภูเขาทั้งสามลูกจึงตั้งสัตยาธาิษฐ า, านขึ้นเป็นที่พึ่งตั้งสัจจะอธิฐานอาธิฐานก็ความปรารถนาอันมั่นคงสัจจะก็คือความจริงตั้งว่ายางไง ว่าขอให้ได้เห็นสรีระของพระมหากัจสปะเทระความมหัศจรรย์ก็ปรากฏขึ้นแก่มหาชนและพระเจ้าอาชาติศัตรูทุกคนที่อยู่ในสถานที่นั้นได้แลเห็นสรีระของท่านแล้วไม่มีใครเลยที่จะอดกั้นความเศร้าโศกไว้ได้พระเจ้าอาชาติศัตรูพร้อมด้วยมหาชนและพระภิกษุทั้งปวงพากันกระทำอภิวาสและถวายมหาสักการะบูชาและทรงอนุญาตให้มีการ มหกรรมประโคมบูชาสตรีระของพระมหากัะสปะเถระอยู่เจ็ดทิวาราตีแล้วจึงเสด็จกลับสู่พระนครชีวประวัติของพระมหากัะสปะเถระซึ่งเป็นผู้เริศที่สุดในทางทุดดขวัินับตั้งแต่วันอุปสมบทจนถึงวันดับขันเข้าสู่นิพพานก็มีอายุยืนประมาณ120ยปีก็ข อ, ขอยุตติลงเพียงนี้ขอคุณความดี ของพระมาาเถระอันเป็นจัดจาอันประเสริฐคือเป็นความจริงอันยิ่งใหญ่จงมายังศรัทธาของท่านผู้ฟังธรรมให้เจริญเลื่อมใสแล้วปฏิบัติตามกรรมดีตามคุณธรรมที่ท่านได้แสดงแล้วขอให้ความปรารถนาของพระเถระคือ ความอนุเคราะห์ใหสัตว์โลกพ้นจากทุกข์ทสงสารจงสำเร็จในชีวิตของท่านผู้ฟังธรรมทุกท่านทุกคนโดยพลันเทิน